กไม่รู้ตก็นอนเพื่อยืนสิ่งนีความตัดสินต้องเห็นตัวนันเองนะายคนเตียงเตามีคนที่สอนที่ยาโทษเขาให้แล้วก็ต้องคิดสัหเตียงหินเียคิมันก่อนอยให้มันได้ข่ารานคนเตียงเากนี ยังแถมเรื่องนี้อีกวะเขาโตเลวกว่าเอาบุญเอากรรมเอาโทษปางเข่าเทวดาังเขาตายเลยถ้าถึงที่ตาของมันนจะจะบอกมากิาว่ามันโมยับละเดี๋ยวเขาจะไปโกหกกับไปดมดมมองมองดูยาเตียงก็เป็นมาถึงที่ยังที่มันจะเข้าบอกีาโดยตามทุกคนอยู่ก็เอดเตียวหูเ้าว่าโมับอยู่คนโบราณสคนเตียงเตียวต ก็จะดีดซ่อนไปในเส้อแล้วก็ากาหาจนทับตายเาสันยางกันเลยที่มันตื่อยู่เราจะทำเป็นเข้าไปปรึกษาการสงครามถ้ามันหลับอยู่เราจะฆ่าเพื่อให้ตายมีแผนการหน้าหน่งแล้วที่สองก็เข้าไ ป, าไาาไปเราคอยเป็นถึงที่ก็เลยเหนเหตียงหิ้นนตาคร้หมนมีตาย งวดนี้สามเดืคนนี้สอนมีทิดียวเปียวิเตือนไม่อาจจะจะเข้าไปต้งเหมือนกันแตไม่อีเียงเปีวิเกรนจึงรู้ว่าองนี้มันหลับอยคนนี้ก็กระบีกเทียนไม่ที่ขอคออีกคนก็กระบีกเทียนเขา้ีหน้าท้องเปียวหร้องขึ้นมาด้ทคำเดีย้สองบาสอแผล่ตนที่ขอคอและที่หน้าท้องนั่นนะ กเพียงพอร้วปุจจัพทธิเตวหิปลุกัอกออกจา ก, กมันทของความเป็นคนปะเวหิตายนั้นอายุได้ห า, าสิปีแล้วหมเกียวเตียวปักก็พิสตาเตียวหิ กับพวกมันประมาณสาคนมีเป็นเรืองกลางตางเเวลาตคืนมันเนเวลาเทยงคืนงอปั้นมาฐานที่ใหญ่รู้เืองความบห้อมเปลี่ยนเปยนตัดขาเปลยหแล้วพือตัดหัวเปียหุ่ไปให้เลนยน เราปังก็ขโไปิดตามแต่ก็ตามไม่ทันก็กลับมาต่้มืือมอกให้คนไปเส่เพระเจ้ า, า, าจรเราปีนแล้วก็คิดอนกับเตียวเป่าเตียวเปลตกจากเค ต, ต้นเตียวหิสเดยยาัวเมื่อเตียวเสียสุดแต่มองเตีออยวหิมรัามองี๋ให้เียวเปาไปเมืองเสืขน จนบ้านเมืองแล้วก็ยกตามเตัวไปปัดถูตพระเจ้าหลบอตีคือทั้งเศี ย, ยในในรไม่้องเรื่องยืนใดรคนเด้่เบืมี ก, ก, ก็ยกกองทัออกจากเศฉยรของเ่คเุณเมืองึ่อยู่รักษาบ้านเมืองก็ตามมาเซนขเบ่ ก, กวัก่คุณเมืงองตั้งเลียดพระเจ้ า, าจหล่อตียกทัไปครนี้ ถ้ปจะัยหมดเต็นใจเลยหมดทูนหิ้ปรางเป็นหลายครั้งก็หมดฟังถ้าหัว้งอยู่จะห้ปรางหยุใใจัดฟังอมบงผู้ที่หวเต้งอยู่มันหยิบสายเพื่อหลอกตัตนี้ก็ยกท่าออกมาเปเลยยเียนไวหนอกนี้ในเวลาตานคืนคืนนั้นนอนเมื่อก็ออกไปที่ข้างน อ, อกเป็นอุกาบาดใหญ่ มีปริมนเลเนข้างและประมาณสอกมูลตกเมัอมาเหนือแต่มูลฉันตอนนั้นก็ตกใจก็จริงฉันกมคเข้าไปถามคนเนบ้ว่าดามงใหตกมาดังนี้จะเป็นเหตุอันใดขเด้งก็บอกว่ามูลนีอันนี้ร้ายมิลนี้อันนี้ร้ายนะบอกเหตุว่าทหารที่ใหญ่าตายพราะคนมีนวะ เป็ประมาทที่ยิ่ยาหบอกบางวิริยะ ท, ที่อยากตางใหคนมีเลือดอิสายั ง, งจะรู้ข่าพระจ้าหล่ปีเล็กเจงเดี๋นี้ก็เมตตาบาล ท, าทาัดไทก็ไห็นได้เครืทัพน่ะ ก, ก็มีทหาเข้ า, า, ป า, ามมไปทูน ว, ว่ามาปั้นทหารมึงลงจีบอคนถือหนมาพระเจ้าล่อปีเล็ยิ่งดังวิริยะยังจีบก็มือถือก็ตตใจก็จังห น้องข้าสินักันได้ว่าจะยกทัพไปเปิดด่านตีทวกคนถือมือมาต่วจะไม่มาล่ะนข้าเป็นเหตุชีเองหรอกกรนะมมีเราปีนึกยากขึ้นนิดแล้วก็ลึเจ้ามืออกมืก็รูนนออร้ความว่าเตัยวหิตายแล้วเพราะเจ้าว่าปีนยากควานจนนี้ก็จนพระกำลังจนสรุป ไปเลยตเดียวนูตงหายตัเดยวนที่นันก็เกิดเป็นหยดตั้งแกขเป็นฟืนขึ้นตวันนั้นก็ไม่เป็นอันที่จะทำการบาังการใดตกเส้าสือพระไทยดัยย บ, บเป็นที่สุดรู่ขึ้นอีกวังนงก็มีคนเข้ามาทรว่าเูตามพวกนึงยกมาพระเจ้าว่าไปก็ อ, อกมาดูขนเปลว มาเข้ามาถึงหน้าทีมันแล้วก็วนจากหลังมาเข้ามาปรองรองให้แล้วก็กเทมา ว, ว่าหอมเตียงเยตียวปัดข้าบิดาเขาได้จบไปแล้วแล้วมันตัดเอ า, าพิสาให้แต่สุ้นกวนทืมพลนเพลนที่มันยุบเพลนอยู่แล้วนั้นกระเพือมห น, ยยนักไพลินใหญ่ซักเขาจะนีอีก เหล่าปู่มิเฟ้นร ก, กันเสียจนสุดกำลังไม่เป็นอิสฉยเลยคนหนึ่งท้านชยอมก็ขอบไปทูลระับความโศกบอกเพลงจะยกให้ไปคนี่เป็นการใหญ่ถ้าไม่เฉลยจะเลยบันนี้ก็จะประชวนไข่แล้วก็จะไม่ได้ไปแก้แท้นขอเพียงจะอิสระเฉยอาหารเถอะ พระเจ้รอปีก็อิสานซวยด้วยอาหารแล้วก็สั่งเตีว เ, เป่าท่านตำนอปั้น็นเป็นทับหน้าไปทำการครั้งนี้หนึ่งตั้เตียวปานการครั้งแรกสอห้วงเป็นเป็นทับหน้าเตียวหิวจะไปอยู่ในกองทัพหลวงนะบัดนี้หนูมีเตียวหีแไว้ให้แขมัดตั่งเตีวเป่าตอนนี้เตียวหีว่ะให้เป็นทับหน้า โดปาก็ถือว่าจะไปแก้กแขนแทนดีบาครั้งนี้ข้าพเจ้ายิด้กลัวแต่ความตายเลยข้าพเจ้ารอปีนี้ก็ยังไม่ได้สั่งให้ไปก็มีทหารกองมนโยกมาอีกข้าพเจ้ารอปีแลไปก็เห็นตัวหินตัหินนิ่ขาวควบมาขาวเข้ามาด้วยมาถึงตวนหิน วนจากลังมาก็เข้ามากราบแล้วก็ร้องให้นี่สินี่ทำไถ้าจะขาดใจตา์ได้โดยปฏิบัตีเดียงๆเนียวเอบตายเดียวริบตายโดยถูกคนของตนเองฆ่าอย่างนี้ปัดอธิชาได้อดตริวิถีอย่างนี้ก็ยึดแทนเป็นผลพัพพีคุณแล้วและลูกขา่าวที่สองคือทีง และคนอืน่นก็เ ข, าาข้ามากราบรค้งควนร้องไห้อยู่ที่พระบาทแพ่นเนี่ยเราปีหรือคนอืนก็มาร้องไห้ที่นี่คนนึกถึงคนอื่ขึ้นมาอีกก็คนก็คนสอนมาอีกแล้ว ก, ก, ก, ลก็จป็นว่าเรากับคนอืน่นและควหิไม่ให้ความตัดกันไว้แต่ยังยากจนอยู่ด้วย ก, กันก็เป็นเพือพพ่อนทุกเพือพ่อนยากช่วยกันทำสงคราม ันได้บ้านได้เงนะมากมาถึงเพียงนี้เราก็ได้เป็นเจ้าคิดว่าน้องเราจะได้เป็นศุขเมื่อบัดนี้น้นองเราทั้งสองก็ตายไปแล้วยังอยู่แต่เราเพียเดียวจะโนกราเป็นโศกยินยรักรึเรายิ่ได้เหนหน้าหลานทั้งสองนี้ก็ให้เป็นทกข์นันมันจะขาดตาย ทั้งตั้งตก็ว่าแต่เตียวปาวควหินเนี่ทั้งสองจนออกไปเสพนมื่อที่ม่เดพระเจ้ารอปีเมื่อนมั้ก็พอจะค่อยคายความโศกเล่าบ้ากตัวปาวควรหิก็ออกไปจากหนืาอที่เ่งคุณนมือทังงก็ปรึกษานรอดพระเจ้ารอปีนะจนพระเจโศกเสียพระทัยเป็นยิ่งนักอย่างนี้ เ, เพราะแก้ไขกระบวนการให้คลายความสกปรกมาเรียงก็จริงว่าจะยกกองทัพไปเอาไทยชนะก็มีเหตุพี่น้องตายร้องไห้ารักกันแบบนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ายกทัพไปครั้งนี้หายมีไทยแก่ข้าสึกมากดีมาเรียงผู้ดีติดคนลลักมันจริงก็จิงว่า จะได้ไปยินเขาเรียมาว่ามีหมอคนอายุได้สามร้อยปีเศษที่วัดอีอยู่ที่ภูเข า, าเชิงสังข้าทิ่ตะวันตกเป็นหมอดี น, นิ่งยังนะเขาะมีเคราะรายจะเป็นจะตายประการใดอย่างไรนี่ท่านผู้นี้ทำมาทายทักได้หาผิดไม่ ก็าจะมีความแทนไี้ไปกราบถูนให้ไปเต็มตัวอ่ศรีแสนอี้อายุสามร้อยปีเศษเนี่ยให้มาดูจะไม่รู้ว่าเจ้าเราเคราะหร้ายเคราะห์มียังไรประการใดคุณหนึ่งตั้งตัวเด็ดฟังก็เห็นชอบเดียวก็เหมือนทางอื่นแล้วก็พาการขับไปเฝ้าวพระเจ้าเราปีพระเจ้าเราปีาก็จีนแท้เ ตันจีนแหละจะมเรื่องเน่ตอไปยังเขาเสันไปถามหายุี่ก็อพอดูได้พบลูกศิษย์คนนึงเข้าคนก็ถามว่าท่านมันชื่อตันีนรึตันจนก็ตกใจก็าถามว่าทาไมท่านมารู้จักข้าราการล่ะลูกศิษย์นี่ ก, ก็บอกว่าอาจารย์ข้ารเจ้าดูไว้แต่เมื่อวันศเนี่ยว่า แต่ที่นี้คือรับฟังมาหาป็นนี้ก็คือว่าเขาว่าอาจารย์ท่านดูนนะุ่งยิ้มยิ้มนก็เสน ม, มุงคำาุ่งบางที่็เด็กผ้พาเข้าไปหาเมื่อกลับไปถึงแล้วก็เป็นบพระเจ้าเ อ, อ, อาเปียถ้ามาเชิญที่ไปเฝ้าหรือีกก็ด ตอนเป็นหลายครัง้งลิซี่ก็ยินยอมเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเลา ถ้าเจ้รอปีก็ว่าถ้าเกิจก จ, จะยกทัพเหลืองไปรบสึกครั้งนี้จะมีทัศนคติปราชายั e. ายหรออีอจิสามรอยติดดแล้วก็รู้รู้ว่าพระเจ้าจรอปีกีมจะปราชัยเก่ข้าสิแต่คนจะตผนตามเกณนหรือก็เกรนอัจฉริยะใส จะตกวันวาดีเหมือนกันคือมันนิดแม่นต่ความจริงเนี่ยถ้าพูดออกไปแล้วเนะี่ยความจริงนั้นยั ง, ยงไม่ตายนั่นเนี่ยจริงอยู่แต่ว่าคนที่ความจริงนี่สิอาจจะตายปริณีที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทูลตามตัวปุณณีก็ทูลม่าอันแพ้และชนะนั้น กับเทพพยาดานี่คือคำตอบที่เขาจะเลี่ยงออกไปละอันแพรชนะทั้งนี้แจ้งดุกับเทพพยาดาข้าพเจ้าหาทายได้ไหมพระเจ้าระวีก็ถามสามีกถามทั้งสองครั้งสามครั้งหลวงพี่ก็จับถูกการเขียนเป็นถามขี่นมาคือปักรมา เนตาบอดต้องขอโทษเขเนนีเป็นคนตาย เ, าเป็นคนตายดนสุเขยเป็คนตายคนมันนอนอยู่คนมันถือจอบขุดดินจะฝังแล้วก็เขียนตนงสือไว้ตัวเดียวหยกเต็กทำปิดสนาแต่ถวายเท่านั้ น, นแหละแล้วอี้ก็ลาไปปิดสนาที่อี้ทาถวายนี่ก็เป็นใจความว่า จะ แ, แพ้เขายับเยินนี่สิถ้าจะว่าไปแล้วว่าถึง40ครั้งเลยหมายความว่าบแบบจะแพ้เขายับเยินและพระเจ้าจรอบปีจะไปตายที่เมืองเป็กเ ต, เ, ตเสียแต่ว่าปริศนาถึงอีกระทำแล้วนะ่ะคือทำดังเขียนองค์นานขี่ม้าถืออาวุธถึง40ครั้ง แ, แล้วก็ชีก มันคือการผู้รบแล้วก็เขียนว่าคนตายนอนคนมึงถึงจอบขุดลึนแบบฝังเขียนต่อสอนบอกเต็กความหมายอันนี้จะเป็นมีรายรการกบตสามเถอะแต่เจาะรอกปีเห็นอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็รกระกิกขึ้นมือทั้งเป็ว่าแต่หมอดูคนนี้แก่นะักเหนวไหลฟันเตืยนไปแล้วจะเชื่อฟังไม่ได้ให้อเอากระดาษมาไปเผาไฟเถอะ แล้วก็สั่งให้เครื่องทัพปัเดเปลวเป่าเปวเป่าเปลวเวป่าก็มาเปลวหินเปลวเป่าก็คือมาหมอปั้นคนทหารมีลองผิวมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะขอยกเป็นทัพมน้าไปก่อนพระเจ้าลอปีก็สั่งให้ยกไปเปลวเป่าก็มาจัดแจงกองทัพจะยกไปปูนหิน อุณที่เรื่องรับสคนหนึ่งก็ถว่าเปเตียวปาวะที่จะไปเลยข้าพเจ้าจะเป็นทัพหน้าไปเองอือคนหน่งอย่างนี้เตียวปาวก็ถืว่ามีรับสัง่ข้าพเจ้าไปอะข้าพเจ้าก็จะต้องไปตามรับสังก็เรีกว่าแ่งย่แข่นี้กันแหละอือเียหุคนอืแข่ดี้กันด่งเนี้ยอือเมื่เตียวปาวะมันไปรับสังหก็ถืว่า ยิ่งจสำแดงเชื้อประสาทเก่าทาให้เราดูก่อนอปลี่ป่าให้ถานเอาเป้าไปปักไว้ไกลถึงสองเส้นกถึสองเส้นนะก็แสเมตรก็ว่ากันดยปรมาณ ก, นะก็เกือบร้อยเมตรตนะเออตกลางเป้านั้นให้หมายแดงเท้าไว้ทำเครื่องหมายสีดงไว้กลานเป้าและเปียวเปาก็ยินเก่าทไป ทหารทีทหารในโบนก็ชนเตียวป่าววือเกมียวพันมุ่งยำนะคนอยูนั่นถือเกลียพันอยู่นิดหนึ่งก็ร้องว่ายิงถูกใจแดงหาดีนม่ขึ้นอยู่ที่ป้าวถูกใจกลางหาดีนม่ะหารนั้นก็มีนกสวยงามบนอากาศคนนี้ก็ซีดว่าขบแต่จะยิงตัวนั้นให้ถูกแล้วตัวหนึ่งก็บินขึ้นไป ลูกเกาทวนก็ถูกนกตัวที่ชี้มันตกลงมาคุณเมยองดวง ก, ก็โร้องสียนเสียนตัวนี้แยิงม่จกเตียวเปาอ้าว เ, เป็นอย่างนี้เตียวเาก็โกรธเก่งกว่าก็โกรธเลยเพง่งขหลังนะ่ถือทวนกระบบมือของดามีทวนคู่มือเตียวหิ้วตกทอเป็นสมบัติของเตียวเปาและเตียวเาก็ร้องเรียกค น, นอย่ยาง น, นี้ว่าเยี่ยมดีเลยเนี่ยเจ้ามาฟูกันกับเรา เราหนุ่มก็เพิ่มขึ้งมาเหมือนกันถือเงาชักมาเข้าสู้กันพระเจ้าเงาปีตุลาปพพีหนึ่งเราเปลี่ยนก็เป็นแบเหตุบางอยจึงมาทำต่อหน้าที่แมงเราอย่างนี้ไม่เกรนเราเลยหร้อไรทำแบบนี้โทษถึงตายเปเกลกรัวหนุ่มก็เกรงเกรงกับพระราชาอาเนหมอนกัน เรียนจากหลังมาเข้าไปทูลขอโทษตัวพระเจ้ารล่อปีก็ ด, ดห็น่ะเรืองหินเรือเปล่ามีดาของเจ้าทั้งสองนี้ถึงจะไม่ใช่คนแท้เดียวกันก็ดีแต่ก็รักใครกันเหมืนเหมนพี่น้องเรื่องอุทธร์ทั้งทั้งสองก็เหมือนพี่น้องกันชอบแต่จะพร้อมใจกันช่วยกันกำจัดสตรีพ่อเควรไหมหรือ มารบกันเองที่เับแต่ตอนนเราอะเจ้าทั้งสองนี่ทำดังนี้ถ้ารับหลังเราจะไม่ฆ่ากันนลยยอดทหารหนึ่งลูกเสือทั้งสองนี่ก็คลานเข้าไปกราบลงรับสารภาพโทษแล้เาเจะ้าปีกก็ถามว่าท่านทั้งสองนี่ใครแก่กว่ากันเดียวเป่าก็ถูนละข้าตจกแก่กว่ากลมหินตึน พระเจ้าจรอปีกเปเล่ห์เกหญนหินเรียกเตียวเปลาวา่าพีแล้ให้สองคนนี้สมบดเป็นพี่น้องกันต่อหน้าที่หน่าเนี่ยแลพระเจ้าจรอปีกก็สั่งให้งอปั้นเป็นทับมาเตียวเปล่าวกลียนหินเป็นปีกซ้ายปีขวาแล้วก็สั่งให้ยกกองทัพ บ, บกกองทัพเรือพุ่งกลงนูง เ, งเมืองกลางตัง ฝ่ายฮอเกียงเกียวตัดเ่แต่ข่าผู้กระทำการด้วยความจาเป็นเพื่อเอาชีวิตตัวรอดคือต้องฆ่าเขาก่อนตัวเองจะได้รอดอาฮอเกียวเกียวตัดผูสังหาเกียวหเนี่ยตเอาที่สาเกียวหิไปถวายขึ้กนกีวแล้วก็จึงแเรความที่พระเจ้รอปีจะยกทัพมาตีขึ้นกวนมันมาตีกลางสั จหุ้ณควรทราบพฤิการคุควรรู้เมื่อความประตกใจข้อติสารจากพนักงานทั้งตาวา ล, ล่าปียกทับมาครั้งนี้นึ่จะคสิดมื่นเศษจะมาตีืองเราครั้งนี้ท่านคุณควรจะคิดประการได้นุณงานทั้งตัวได้ฟังก็ตกใจต่างคนต่างก็แอบดูหน้า ก, กันนิ่งดูเม่รู้จะคิดมาแก้ไขเรื่การใด กุกัิพี่ชายขอ ง, ง, งนนดเด็กก็จึงว่าท่านได้ชุบเรืองขเจ้ามาเด้วรับเรื่อวัดภาพอีมาช้ามานู่ขบ aja ก็ยังไม่ได้ทำความชอบตองแต่ประการใดเลยความจริงกุกัดอินพยายามทำหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จสักครั้งเดียวไม่ได้ผลเลยสักครั้งเดียวและต่คร้งสุดท้ายที่ไปขอลูกาววนอนให้กับลูกชยสุีย ก, ก็ยังไม่สเร็จ เป็นจำนวนสงครามมันยิ่งใหญ่เดือดซ้ำไปมันจู่กัด ก, กันี้่งบอกว่าข้าพ เ, เจ้จะไม่ได้ทำความชอบเลยครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพ เ, เจ้าจะขออาสาไปเป็นทูตสื่อทับรอ o ปีผู้จะอ่อนโยนให้เป็นทางไมตปีต่อกันเป็นใจความที่จะได้ช่วยกั น, ก, น ก, กําจัดเจ้ผีข้าพ เ, เจ้าเห็นว่าพระเจ้ารา o ปีคงจะยับยั้งกองทัพครั้งนี้ขึ้นกว่าได้กวนก็มีคว่า ม, มันดีนะ เดือดเนาตู ก, กัดถึงเป็นที่ใชู ก, กัดถึรงรถเดือดคนเล้นนี่แล้วก็เดืเดคนนี้คนจะได้ผนก็ตีใช้ชู ก, กัดถึงไปขนาดนั้นเมื่อพรเจ้าอเร่าปียกทัพมานั้นพระเจ้าอีเห่าปีเสวยเลยจะสมบัตินะมือเสียเวนได้แเดือนก็ยกกองทัพออกจากเมืองมาถึงด่านตีเฉวน ก็เข้าไปในเมืองเต๊ะเสียมีเมืองสำคัญฝ่ายทัพมากก็ไปเต็นทัพอยูน่นะตำบลฟองเขาทหารนะก็เข้ามาทูล่าตู่กัดยีมาแต่เมืองต่างๆจะเข้ามาเฝ้าแล้วเจ้าเราปีก็จะสั่งว่าอย่าให้เข้ามาเลย คนนี้ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่จะเข้ามาเฝ้าพราะองค์เหตุใดท่านิึงห้ามเสีถ้าดูปฏินท่ามาทูลโดยการใดพอเชื่อพอฟังได้ก็ทำตามถ้าจะเชื่อจะฟังนิ้ได้ก็สั่งให้กลับไปบอกสื่นเตวนให้รู้จักความผิดผอ ง, งตัวที่ปจะร้ายต่อพ ร, ะ, พระองค์ย่งนี้จะดีกว่าที่จะไม่ให้เข้าเฝ้า เกวนดจาที่แจงอย่างนี้เจ้าจรอปีเกวนชอบเนียก็จริงเรียดหาสูกัดถินอกมาครันจูกัดถินก็มาถึงถาวายบางคนแล้วเจ้าจรอปีก็จรงว่าเรายกทับมาตีมืองกล า, างาันท่านควานไปไม่กระนั้นหรือที่มาหาเราทางก็ไกลอิสามาไม่เร็อันใดจูกัด ก, กินก็ถูว ขบเจ้าเป็นค่าของพระองค์พระองค์ประเจนอยู่พระองค์ทรงพระปัญญารู้จักผิดประชอบรู้จักมนะระเบาอยู่เข้าจาึงหากรัวความปายไม่ปี่อิสามาท้งนี้นั้นก็หวังที่จะทูลแจ้งความผิดประชอบเกิดเกิดขึ้นแต่เดิมก็ได้สิ้นเปลียน ไปขอลูกสาวกวนอูเป็นหลายครั้งกวนอูก็ไม่ให้วนอูไปตีเมือสงส่งนยงของโจโฉโจโฉโกรธให้มีสีอไปตึงขึ้นควนเป็นหลายครั้งให้ขึ้นควรไปตีเมืองเกณฑ์จิ๋วซึ่งอวนก็หนีไปแต่ลิบมองหลิบนองเป็นคนมีความผิดจนกับควนอูทิศบาไปตีเมืองเกณฑ์จิ๋ว อ้วนอูจนเสียทีความทังนี้ซึ่งควรจะได้คิดเองก็หานิดได้และบัด น, นี้นิมองซึ่งเป็นคนผิดนะ่ะก็ตายซะแล้วนี่โยกกระดิ่งกยกเพดโยกผมมาอย่างนี้เรียกว่าเอาความที่ว่าผิดเนี่ยพุ่มไปที่คนตายเลยคือไปที่นิมองเลยซึ่งริมองนะ่ยตายไปในปีเดือนอธิรตายอืวนอูจะหักคอเอา พอสมากคุณนางขันพลองเด็กแต่คุณแตกรไม่ไดกลับรวมความเปนหนึ่เนี่ยก็เปลียนตัวบัตรนี้มีลิมองฟูดเป็นคนผิด ก, ก็ปาจะ แ, แล้วอนหนึ่งแมง่ซึ่งิก็คิดถึงพระ อ, องคนะ์นะซึ่งคปรียใช้ขเจ้ามาทั้งเนี้เพื่อแจ้งเนื้อความแล้วให้กลับไปพาแม่ฟูญิงมาถวายและจะได้มัดเอาคนผิดคิดีิชอบซึ่งทาร้ายแก่คนอื่น ร้ายกเตี่ยหวีเอาศีษารษะเตยวหวีมาถวาย แ, แล้วผู้เปัว น, นั้นก็จะคืนเงินเกณฑให้และขอเป็นไมเกกันสืบไปเพื่อจะได้ช่วยกันกำจัดโจผีเสียจูกระดิ่งกรงปุ่ความมาเป็นคอคอคอคอคอ อ, อย่างนี้ซึ่งก็สงแสดงว่ยินยอมหมดแล้วพระเจ้าเราตีได้ฟังดังน้นก็โกรธนะักพิณโย ก็เป็งว่าเาลื้ยังตังาทำร้ายแก่น้องเราแล้วครั้งเรายกกองเข้ามาแก้แข็นสิให้คนพูดเอาให้คนพูดเพราะเอาแต่ความนี้มาเจรจาอันจะเป็นไม่รีดีวยอาหารนิด้น่อยวะเราปิดไม่ยอมฟังจู่กัดจิ้พูดเลยทีเดีค ว, วามมิตนเราจะย้อนไปสักนิดหนึ่งอย่าครั้งโจโฉ แถมมีโซโข่เพื่เป็นมีบาดตายเหตุการณ์มีชีสิวโจโถเป็นยุ่มชีสิวให้ราบเป็นหน้าหลงเล่าปู่เป็นผู้ไปห้ามัพแต่โจโถก็ไม่เป็นผลสำเร็จจะด้วยผลยประการบาอยางไรก็ตามก็อ้านเอาอ้านเอ า, เอาแต่โจโถเห็นที่เห็นชอบโจโถก็จ้องไปจีดเงยมืชีสีวให้ราบเป็นหนกาหลงท้าเดื ก็ไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลโบตรการใดทั้งสิ่งก็ต้องกล่าวว่ามิว่าใคร ล, ละ่ะที่เสียชว่วยอย่าว่าถึงผลเม่งเลยเดียวจูเล้งยุน่นบอดทหาเสือคู่พระไทยโดยไม่ต้องทน้าคำสมาณที่ไม่เคยพูดไม่เคยทักแพ้ไม่เคยพักพนพร้อมที่จะเริ่มมาตามคำสั่งแต่ภาเยเวระการเดียวสู้พักแ้ดยผลอันนี้ก็ไม่เป็นผล จูกัดอิมิเป็นใครก็เปล่ามีความเป็นพี่ของหกหองคนในจูกับเหรียญเท่า น, นั้นแหะมาอ้าง่างนี้เราไปก็ตึงโกรธไม่ยอมจะเป็นอะไรก็หาไม่ได้จูดัดิมก็ฟุ้งทู่อีกแล้วพระเบญจจะขอทุนความเ พ, พื่อทราบนี่เจ้าผี นี่เราก็จะสมบัติพระเจ้ามิ่งโต่งตึงเชื้อพระอง์ของพระองค์ความข้อ น, นี้สูงใหญ่นะชอบแต่เพิ่มจะยกไปตีโจผีจึงจะควรข้อสุดสุดทำความผิดคดนี้ชอบทําร้ายแต่ควรอูนเตียวหูนั้นทีไ่ไดเป็นแท้เดียวกับพระองค์โทษอันนี้เมากว่าหาควรทีพร่พระองค์จะยกทัพมาตีไหมฝ่ายคนนี้ผนดิน แจ้งว่าพระเสวะเร่จะสมบัติก็มีความยินดีนะเห็นว่าเพื่อนจะยกไปตีโจผีซึ่งเป็นศัตรูพร ะ, ะเจ้าเยื่เต้นั้นและซึ่พรงยกกองทัพมาตีซึ่ควรแก้แค้นในแกะวรหมู่นี้คนทั้งแผ่นดินน่ะหาเห็นชอบด้วยไหม่จู่กับถึงเรื่องผ ล, ล, ลอย่างนี้ขึ้นมาอีกก็คล้ายกับเหตุผลของตีล่ำเหนึ่งกันยะแตมีความชัดเจนมากกว่ากันได้ฟ้ำไปเนี่ยแล้วปิด คนที่สุวก็จริงว่าไอ้ศตรูฆ่าน้องชายเราเพิ่มในครั้งนี้เรามีความแขนและเนท่าแผ่นดินแผ่นฟ้าเราจะยกทัพมาแก้แข็งได้ห า, าเรายังมีชีวิตยอยู่ปลับไปจะไม่ขอถอยทัพกลับเลยถ้าเราตายไปแล้วทรพนี้จึงจะปลับนี่มหมาก็าเราคิดถึงผ่มดุง้งนะหาแม่แล้วก็จะฆ่าท่ทานเถิดท่านจงกลับไปบอกแต่ซึ่งควรเถอ ล้างคอไว้คอยท่ามาเราเถอะอื่พระเจ้าเราปีก็เป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนเจ้าเมยเต๋อเนหนือยาววายแต่ครั้งก่อนนู้นเหตแค้นตัวเดียวกันนี่เหมือนกันในที่สุดจู่กัดกินทุ่งสันติผู้ไม่อาจจะหาสันติได้เห็นพระเจ้าเราปีไม่ฟังเราแค่นั้น มาดุดความไม่มีสันตินี้เข้าไปเตียวเตียวที่ปรึกษาเข้าสามแผ่นดินของการฝ่างก็ถือว่าเป็สิ่งกวนว่าดกูกระดิ่อาสาไปสี่พับว่าต่พระเจ้าเราปีเป็นแมตปีกับเราคล้ายนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะคิดว่ามายล่อหลวงคือจะหนีเราไปเข้าเด็กพระเจ้าเราปีรอก ใจเพื่อนคุ้นมือกันแบบนี้เมื่อจูกัดกินมคนนี้ไปเข้ากับลอกปีซึ่งกวนก็จึงว่าจูกัดกิ่มคนนี้ได้กระบบไว้กับเราช้ามานอยู่แล้วเราจะเป็นตายด้วยกันข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีพรั้เมื่อเราหยู่ช่องกุ้นขนด้วยมาเมืองเราข้าพเจ้าจึงว่าแจูกัดกินว่าท่านึงไปชวนน้องท่านให้มาทํำราชการด้วยเราจูกัดกิ่มจึงว่า คนเบ่งได้กินข้าวแดงของเล่าปีแล้วไปชวนก็เหมนจะไม่มาด้วยกันพืชมันใจเป็นเชื้อชายเหมือนหมุนข้าวใบเจ้าฉันจูกัดกินว่าข้าวเจ้าเด้กินข้าวแบงของพี่แล้วจะไปอยู่กับผู้อืน่นหาควรไหมความอันนี้ข้าวเจ้ารือว่าตู้กั หนูใจเป็นวเองหลกจูการจินไม่เป็ น, ง, ง, ปนงน้เดียเดียวเป็นคุณงานสยาที่ปึกษาพู้เท่าคู่กันจากจิ้งจี้มามีความคิดอย่างนี้นแต่ที่ควรไม่เชื่อก็พอดีกระนั้นคนเข้ามาบอกว่าตูการกินกลับมาทีา่แล้วที่ควรก็จึงพูดว่าข้าพเจ้าข้เมหาผิดไม่เลยเดียวเดียวที่ดูถูกหนูใจเพื่อนคุณห น, นกันเอง ขค่าการผิดแต่ยังหนักที่สุดเลยจ้าวละอ า, ายใจยิ่งนะักก็ถอยออกไปเดยวเดี๋ยวออกไปเลยที่กัดกินมัไม่เข้ามาแจาะแกซุ่มกลัวมนะันเข้ามเจาไปทูหนึ่งนี้อย่างนี้คือกล้ามความแบบฟังเจรตาอย่งางไรทักแต่งที่เหุ่ชี้ผลความยินยอมเพียงไรยอย่างไรนี้เราหัดฟังแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเราปิดไม่ฟังเลยไม่มีความแค้นนะ จะยกทัพมาตีเมืองกังตังให้ได้ขุนกวนแจ้งมันก็ตกใจก็จึงว่าะะกระนั้นเมืองกังตังจะเป็นอันตรายเช่ในครั้งนี้็นมั่นคนขุนกวนจ้าเมืองกังตังก็ประมาณสถานการณ์ของตนเมงวอาแพประการเดียวนี่ตกเลยทีเดียว นจจคนหนึ่งก็เจอขจจคิดเห็นอุบายอันจะให้เราไปยกทัพ ก, กลับคื น, นห้จนได้ซึ่งคนก็รู้ว่าทรานเห็นอุบายยังไรเปียวจีก็ดูว่าคอยท่านทำหนังสือฉบับนี้ไปให้เจ้าผีให้เจ้าผีความจะิงไม่รู้ว่าพระเจ้าเจ้าผีนะครับให้เจ้าผียกไปตีมือให้เต๋อตนี่คือตังฉวน อันสมคำของเสฉวนป้าเตีเจีไม่แนะนำ่านี้ให้โจ ย, ยกข้าไปตีมีนหันเต้งของเล่าปี่วัดเขาเพิ่จะถือมือถือไปถึงโจผีเองแต่พอโจผียกมือไปตีค่ายเสฉวนเข้ า, าเจ้าเราปีรูัก็จะต้องยกทัพกลับตังตังก็จะทนภยัยอ้าวเตียวจีนะบางที่ปรึกษาคนนึงแนะนำอย่างนี้อุ้มก็ดูเข้าตา ดุ่มวนฟังเร า, าเห็นชอบด้วยก็จริ่าเมื่อทําไปถึงเจ้ผีแล้วจงเจรจ า, าโตตอพระจงดีอย่าให้อายแก่คุณนางทั้งปูนได้เตียวจี ก, ก็จริงว่าถ้าข้าพเจ้าไปเสียการได้อายอั ป, ปยศข้าพเจ้าจะไม่กลับมานี่พระองค์ห็นหน้าเลยจะเจินน้ําตายจะดีกว่าอยู่เตียวจีตังความสําเร็จของตนไว้รุงแรง เอาความปายมาวางเบนเดินพันจนนี้สุงกวนก็ยินดีก็แต่งหนังสือไปถึงเจ้าผีวะ่ขะขบเจ้าส่งกวนเป็นข้าบิดาของพระองค์บิดาของพระองค์ก็ทรงพระเมตตาตั้งในขบเจ้าเป็นเพียวขีจงกุลหลังเสียงเหาขบเจ้าก็ได้เป็นสุขอยู่มาแ้ามา ขงสวรรค์โแล้วข้าพเจ้าก็ได้ทุ่รรมมุนพระองค์สืบมาบัดนี้พระเจ้าราบปียกทัพมาแต่ปีมือกลางฝังขอทรงคยกทัพไปปีมือเสียนเห็นจะได้มือเสียนโดยสะดุกนี่เป็นใจความในนังสือของขุน อ, อ้่นความก็สำคัญดีแล้วก็กหมนดุษย์ในแกติอังกฤษหรือไปทั้งกลามวัน คืนทีเดียวไปยังโลกเอียงนะแตอนนี้พระเจ้าโจผีนี่อยู่ที่หูโตมืนหลวงนะเี๋ยมาตั้งโลกเอกนนะี่ยงเป็นมือหลวไแล้วกันล่ะเจียวจีก็ปุ่ยโดนทางต้องกลางวันกลางคืนไปนถึงลกเอียงตาเสี่ยงและคุณนานท่านพวง ก, ก็เข้าไปทูลพระเจ้าโจผีว่าแบบนี้ิ่งควรใช้เจียวจีถือหนังสือมา พระเจ้าโจผีได้แก่ก็สรงพระสวนแล้วก็จึงว่าอุ่นกวนกลัวเล่าปีคิดอ่านทั้งนี้แค่เล่าปีถอยทับนี่พระเจ้าโจผีได้วารู้ก่อนเลยทีเดียวละเบ่าออกมันงี่เงี่ยแต่ก็ให้ทหารไปเอาตัวตัวเตียวตีเข้ามาเฝ้าเตียวตีก็เข้ามาแล้วก่อนหนังสือถวายพระเจ้าโจผีได้แก่งความในหนังสือนี้แล้วก็ถามว่า ผู้ดุกวนจ้เมืงการสังเป็นคนมีสติปัญญาอยู่รอเดีกยกีก็ถูอว่าผู้ดุวนนี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะรู้จักเรี้ยงคนดีอบอ้อมเอาใจเขาจัดการแล้ขุนนางทั้งวงพอจอเจอ้าผีได้ฟังนี้นก็จึงว่าท่านสังเสรมมายท่านเกลยมักบกกรมัเจีกี้ึืจึงว่าที่ขบจทูนรงนี้เป็นความจริงพอจเจ้าผีก็แก้งว่า ถ้าเราจะยกทัพไปตีเมืองกลางตัง ถ, ถ, ถ้ามีเมืองกังตังจะต้านทานเรามางหรือไม่บางนี่ประเด็นเจรจ า, ายอย่างนี้เตียวจีพูดถูกขึ้นควีนกำชับกำชามาเป็นอย่างดีแล้วว่าอย่าให้ไปเสียท้านะอย่าให้โตต่อให้จงดีนะอย่าให้อายกับขุนนางทั้งปวงนะบัดนี้พระเจ้าเตียีตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ ถ้าเราจะยกกองทัพไปตีมึงกังสังก็เห็นมึงกังสังจะป้านทหารเราได้ริมิได้เตียวีก็ทุน่ะถ้าเป็นเมืองใหญ่ยกไปตีเมืองไม่น้อยเมืองไน้อยก็จำจะต้องจัดแจงทหารออกที่รบรักษาบ้านเมืองนี่เตียวีตอบอย่างนี้พระเจ้าเตียวจีจก็ถามว่าเจ้าเมืองกังสังนี่จะกลัวหรือไม่ เตียีก็ทูลว่าเจ้าเมือการสังน่ะหาอัล่วไม่เดี๋ยวนทางที่จะไปนนนักกันดามเราก็จัดใจทหารที่มีที่มีอยู่คอยรักษาทุกตําบลนี่ต้องตอบวางมาเให้ยดมิยันจะได้อายเข า, าเตียวจีก็ตอบตอบดีแล้าเตียวจีก็ถามต่อไปว่าคุณนายเมืองการสังซึ่งเป็นคนมีสติปัญญา ก, กล้าหาญเหมือนท่านเนี่ย มืท่านอย่างนี้จะมีสักกีคนเด็กจีก็พูดมาขุนนายเมืองกลางสังที่มีสติปัญญากว้างในการสขขงครามดีกว่าข้าพเจ้านี่ยังมีสักแปดสิบเก้าสิบคนที่มีสติปัญญาเหมือนข้าพเจ้าตนนี้จะเอาเกวียนไปบรรทุกก็มิสิ้นจะเถังตวงเอาก็มึนหมดดีเด็กจีตอบอย่างนี้ เราเกี่วผีด้ฝันก็เสิย์ฟเสวนเลยทีเดียวเราก็ถึงว่าผู้หี่คนนี้มีสติปัญญาดีนะไม้ใช่ไม่เป็นพูดมาก็่เจรจาอาหารยกย่องสรรเสริญผู้เป็นไม้มีเกียรติยศท่ น, นี้บางนี้ควรที่จะเป็นผู้ถือลูกศรว่าล้วก็จึงสั่งให้ไทเซิงเข็นถือตา ตัง้งซึมกวนให้สซ่มกวนเป็นเงาอองให้ซึมกวนเป็นอองเป็นเจ้ามีเครื่องยศก้าสิ่งและเดียวจีก็ลาไปผูึกษาของพระเจ้าเปวผีอีกผู้หึงแท้ลา ทำตัวมาเป็นข้าของพระอนุขปจพิเคราะห์ดูเห็นว่าเป็นบุญของพระอนแล้วเทพยาดาจึงเข้าเดินใจให้มูลเสฉวนกับมูนแกงตังรบพุ่งกั น, กนซึ่งเราณปราถนาทช่นี้นะขอพระงแต่งมาฐานที่ใหญ่คุณหฐานัก4หมืน5หม0 0ยกกองทัพเรือไปช่วยเล่าปีให้มีหน้เสือไดถึงเล่า เราทับบกเป็นทับประหนักเราจะตีมือกันตังเห็นจะได้เป็นมั่คนคงและเมื่อมืกกอมกันตังเสียแก่เราแล้วอแล้วถ้ามือกันตังเสียซะแล้วมือเสียฉวนก็จะเป็นเขี่ยวสุดอยู่แกเรามือเดียวเมื่อผมจะยกกองทัพไปตีมือเสฉวนก็จะได้โดยงา่าย โจผีวสุ่มควนออบมามายัางดีอย่างนี้แล้วก็ไปปีก็ปีแค่สิเปล่าหรืออิจฉาเัินคือปล่อยัองสองฝ่ายรบกันเองจนย่ำแย่แต่ลราจึงขยันมาี่หลังก็เปล่าแถมสามเลยเนือกว่าแผนหนึ่งแผนสองคือถ้าเราปีตีสุ่มควงซะก่อนอแต่กันแตย่ำแย่เราก็หันมาขยันเฉยเฉยว่าเช่นอย่างนี้นี่คือแผนของเราหัว พระเจ้าโจผีได้ฟังก็จึงว่าสึ่งกวนี่ยอมมาเป็นข่าเราแล้วครั้งเราจะกลับทํำร้ายแกซุ้มกวนดังท่านว่านเนี่ยสูดไปเมื่อหน้าผู้ใดที่มีสติปัญญาจะยอมมาเป็นข่าเราล่ะควรเราจะยกยอสึ่งกวนตั้งให้เป็นใหญ่พระเจ้าโจผีปรับดังนี้เราหัวก็ตัวบะ กลัว ค, ค, คนนี้มีสติปัญญาทหารที่มีกำลังก็มีเป็นอันมากพระบิดาของพระองค์ตั้งให้เป็นเพียวผีจนคุนหลังเสียงเฮามียศยังต่ำอยู่มันจึงยังเกรงกลัวเราอยู่แต่มามัดนี้พระองค์เองตัางให้มันเป็นใหญ่ขึ้นในครั้งนี้จนถึงเงา อ, อง้อน ก็จะมีมาน a ตั้งยศอย่างให้ใหญ่ยิ่งไปกว่าเก่าอุปมาดังสัวร้ายซึ่งร้ายอยู่แล้วและเทพยาดามาชุบห้มีตีกขึ้นอีกแล้วเมื่อสืร้ายมีตีดมีนมาไแล้วนึงก็จะร้ายจะยิ่งกว่าเก่าเราหวัวว่าดังนี้พระเจ้าตัวผีก็จิดว่าเราตั้งให้เป็นใหญ่จะทำอะไรแกเรา เขาจะยบย่องขึ้นไว้ก็หวังที่จะมีมานะอย่าให้ไปงอบน้อนแก่เราเปีในรเราเคารพกันครั้งนี้เราจะไม่ยกกองทัพไปช่วยขึ้นกวนและเราก็ไม่ยกกองทัพไปช่วยเล่าปีเราจะคอยคอยเมื่อเคารบกันข้างมันแพ้แล้วยังอยู่แต่ข้างเดียวฝ่ายเดียวเราจะยกกองทัพไปตีเอา มันจริงจะเห็นว่าจะได้โดยสะดวกเราปร้อมการของเราอยู่ทานนี้ชอบแล้วท่านจะทักทานห้ามปราบเราเลยนี่พระเจ้าเกลีผีก็ดูจะเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่งอยู่ทีเดียวความคิดนี้อย่างนี้จะทำอย่างนี้เราหัวจะทักจอนน่าโมจีแกงยังไรนี่ไม่กระทำปาราบเพื่อทาน ม, มีรายเดนเดือนสองดนเดือนา ย, สนสายางไร ตระเวนทำตามแผน2คือให้เรียกว่ารัชเสดทั้งสองกย่ำห้ำหันกันมันต้องย่ำแย่ไปข้างแล้วก็เหลืออีกฝ่ายเดียวเท่า น, นั้นผมก็ไม่ต้องทำฝึกฝีสองบ้านนายที่ฝึกไม่ฟังเพราะเจ้าจะฝีไม่ฟังที่ปรึกษาคือเล่าหัวฟังให้ไพเสี้ยนเข็งถือตราไปตั้งถือตราไปกับเปี๊ยจีนนี่แหละ ปริไปแต่งตั้งสุ่งเปือยไม่มีการปั้งให้เป็นเงาข อ, องถึงแต่กว่าทกว่าจิ่มเปลือยน่ะในสิ่เปลือกยืดอะไรเนี่ยก็ม า, มาได้บินน้อนใจ ทางที่ไหามาปรึกษาการสงความที่จะยกทัพไปต้า น, านพระเจ้ารา ป, ปีเนี่ยยังไรก็ตามกองทัพที่เปิดจูด้วยเพลนโทล่ปะท้าพ้นเจ็ดสิคกว่ามีนของพระเจ้ารา ป, ปีแท่งแห่งเสฉวนตั้งฉวนสองมีงหงยักซึ่งกวนก็ต้องฟื้นเพราะในฐานก็เข้ามาบอกว่ามัดนี้พระเ จ, เ จ, เจ้าเกลพีไทให้ไทยเซียงเข่ง ถือกลามาเลื่อนที่ให้ท่านเป็นใหญ่ขอให้ท่านออกไปรับจริงจะควรโตหยงที่ศึกษาคนของสุ่มควนก็ห้ามสุ่เควรอ่าท่านก็เป็นเจ้าเมืองการตังอยู่แล้วท่านจะต้องให้เจผีมาเลื่อนที่เลื่อนตําแหน่งใหญ่ขึ้นไปท่านเป็นใหญ่ขึ้นนั้นอนะ่ะต้องการอะไรพระบาเจ้าผมว่าหาต้องการไหม อย่างเมฆมเหมือนม่นสมนนควรเลยก็เป็นยายอยู่แล้วสุขควรก็จริงว่าเราสิได้ไปอ่อนน้อมได้แต่ก่อนครั้นจะมีรับเขาก็ไม่ควรสุขควรว่าจะมีแล้วก็ถึงพาคุณมาออกไปรับตราตั้งและถึงนอกเหมือ ไปกับเตี่ยวจีทุกมันจะการสังเยก็ไปกางสังส่วนควรมงเมื่อขาบความกเกลียกคุณามาปรึกษาการทึความจะยกทับไปต่างทางพระเจ้าเปลียวเสยก็ปฏิฐานขอมารายงานว่าพระเจ้าโจาผีใช้ให้เสียงเข็งถือกรามารื้อที่ให้ขันเป็นใหญ่คอยขันออกไปรับจึงจะควร ส, บบ ส, ส, สิ่งควรประตรับประดังจิเจ้าควรวันจรสุ่มควรเขาคงเป็นเจ้าก๊กเจ้าใหญ่เมืองสําคัญก๊กหยงที่ตึกสารก็หันสุ่มควรว่ะตัวท่านก็เป็นเจ้าเมืองกลางตังอยู่แล้วซึ่งจะต้องมาให้โจผีเลื้ยนที่ท่านได้ขึ้นเป็นใหญ่นั้นน่ะต้องการอะไรข้าพเจ้าเห็นว่าหาต้องการแค่นี้ไหม ก็อย่าไวาอย่างนี้สูกควรก็ถิอว่าเราชสิแต่ไปอ่อนน้อมได้แต่ก่อนครัจะมิรับ ก, ก็ไม่ควรสูกเวรก็รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ก็ได้อ่อนน้ําไปแล้วอ่ะก็จีนพาคุณแมวไปรับถึงนอกเมืองฝ่ายไทยเซี่ยงเข่งผู้ถือตราเนี่ยก็ถือตัวละถือตัวมด้ยวยเป็นผู้ถือตรามาด้ยวยแล้วก็ถือตัวว่าเป็นคุณแม่เมืองหลวง ีเงียก็ไปจถึงเจ้าตัวเมืองเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีที่มาไปกับไทเซียงเขเนี่ยเห็นไเซียงเข่งเขาทนี้มันก็โกรธนะก็ร้องด่ะทำไมจึมาดูถกนยเราชนเห็นว่าเป็นเจ้าเมืองน้อยแต่ดาบน่มันไม่คนอย่างน้เหรอเซียงเข่งยอนก็ตกใจถือไม่ไว้แล้วตัวเดี๋ยวจะตายด้วยบาบก็เลยจากเมง เดินตามสุนเกวนเข้าไปในเมืองชีเส้งขีเส้งเป็นขุนศึกเก่าคร่ำทีเดียวอย่างน้อยก็เคยต่อกรกับจูร่งทางเรือมาแล้วพอสมควรเนี่ยขีเส้นกนีขีเส้งทหารเอกคนสสาคัญของขุนเกวนเนี่ยคือการประทานที่นีมันเป็นการเสียเกียรติเจ้าเมืองอย่างยิ่งเลยเขาถึงกับร้องไห้ามาแล้วก็พูดว่า เสียแรงที่เราอุตส่าห์ทำการสุกมาช้านานตั้งใจจะไปตีโจผีเล่าปีเมื่อได้แล้วจะให้ท่านเป็นเจ้าแันบินก็ยังมิทำได้สมคิดบัดนี้ท่านมาอ่อนน้อมยอมให้โจผีตั้งอยทา่านเป็นใหญ่นะข้าพเจ้าอายนะในชีสินเลาอย่างนี้ข้างฝ่ายไทยเสียงเข็งขุนนังเมืองหลวงขุนนังของโจผี ได้ยินบางค น, นก็จิงว่าาหารเงินกลาต่างกลางต่างนี่ยังมีคนดีนั่นใจมามะห้าวหารในการสงครามอยู่มากนานไปจะได้เป็นใหญ่มันจะเป็นน้อยอยู่ชนี้หาไม่ได้ที่ไทยเชีงถิงต้องยอมรับอนไรก็ตามเข า, าเป็นผู้ถูกลามาตั้งสุ่มกวีนฝ่ายซึ่งกลนก็รับลาตั้งของเจผี วงก็เข้ามาขนบาบเป็นระเบียบนิ้วตุ้งตัก็ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เงา อ, องคมีเครื่องยศเก้าวสิ่งตามอย่างเดโบราณก็จิงตั้งดอกไม้ยืนดอกไม้พอมกับเครื่องจัดบรมาการใ้คืนนั้นกลับไปถวายแก่พระเจ้าเกลียวผีฝ่ายนทหารรักษาบ่านเวือน ก็บอกมันสูงไปถึงขั้กนกลัวแบบนี้ท่าจเจ้าเล่าวียกกองทัพมาครั้งนี้มากกว่ามากนะกองทัพสมโมโขและเ ม, มืองหมังน๋องทับบทัพบกทัพเรือกองทัพเรือมาตั้งอยู่ณที่ตำบลมูม่เขาทัพ บ, บกยกมาถึงตำบลผูเขาุยยกมาถึงยังตำบลขุยสวัว ก็ะเจ้าซุ่มเอวนตอนตนี้ก็เป็นพระเจ้าแล้วเป็นพระเจ้าก็ทั้งนั้นแหละพระเจ้าโจผีพระเจ้าเราปีพระเจ้าซุ่มควนแล้วพระเจ้าซุ่มกวนได้ฟังก็ถอนในอนนนจใหญ่ก็ปรึกษากับคุณมางวะแต่ก่อนเราก็ได้พึ่งจิ้ี้เลโซกละลิบบองคนดีมีพระปฏิปัญญาก็ตายไปสึ้นแล้ว เราไม่เลยพระเจ้าซุนอ้วนทอดอะไรเลยทีเดียวละขณะนั้นก็มีทหารคนมน่งป้าอยู่นะที่เป็นชื่อว่าซุนอ้วนซุนอ้วนนี่อายุได้ยี่สิบห้าปีอดเดินก็เป็นหมุดเลี้งของซุนเซ็กซุนเซ็กนี่เป็นพี่ซุนอลวมคุณเซ็กตายแล้วซุนอ้วนนี่เป็นเป็นหมุดเลี้ยงคุณเซ็กน่ะรักใคร่ซุนอ้วนนะ ยิ่งให้ใช้แค่เดียวกันพรเมื่อสุนทรตาแล้วสุนเกลียนก็เอาตัวสุนหัวมาเลี้ยงไว้เนี่ยและสุนเกลียนไปทำสงความที่ไหนแห่งใดสุนหววก็ได้ไปด้วยทุกครั้งแหละสุนเกลียนก็จึงตั้งให้สุนหัวเป็นนายทหารนี้มาบัดนี้สุนเกลนมาลบใท้อถอยกมาอย่างนี้สุนหัวได้ฟังดังนั้นก็จึงเข้าไป ทูล ก, กับพระสิ่งอื่ว่าตัวข้าพเจ้าเล็กก็จริงแต่ว่าขาเจ้ากับเราเองจึงละประสาทศึกษาในการสงครามคะมิชมาญอยู่ข้าเจ้จะขอทหารแต่สักห้ามืออาสาออกรบกับพระเจ้าเราปีเองพระเจ้าสิ่งอื่นก็ติ่งถามว่าเจ้าจะจาไปครั้งนี้จะอาศัยกลมุหมายความคิดหิจะแชที่มีฐานที่ใดต่อสู้ จึงจะมีชายชนะแก้ฆ่าสุดซุหนหงอคงก็จึงว่าข้าพเจ้าได้นคนดีมีฝีมือไว้สองคนคนหนึงชื่อว่าลี่อี้อีกคนมีชื่อว่าเตียเสงลี่อีเตียเสงสองคนไม่มีกำลังมากนะถึงจะมีฐานสักหมื่นนึงก็าหาเปรียบกับฐานสองคนนี้ได้ไหมมีแปลว่าขีด อ, อ่ะซุหนหงอคนี่จะใช้กำลังฝีงมือ ทานเอกอยู่สองคนเขาเจอดสุนโกลก็จริงว่าเจ้าทหารสองคนมีกำลังมากก็ดีเห็นจะพอได้ราชการแต่ว่าเจ้ายังเ็กอ่อนแกความนะขัดจังจะต้องจัดแจงที่ใหญ่ไปสักคนหนึ่งจึงจะได้ราชการทีเหวียงก็จริงว่าพระบาเจ้าจะขออาสาไปกับทนเหวียงจะคิดอาณจับเล่าปีคนนี้ใหจได้ ถ้าเจ้าสิ่งตัวนี้มันก็ดีดใจเติมฐานนี่นห้ามึงตั้งซุนหวนให้เต็มที่โจโตโกโกแม่ทับโบตัางจี้เหลียงขึ้นเต็มที่อีโตโกโกแม่ทับเรือทุนทหานข้างละสองหมืนห้าพันได้ยกทัพออกจากเมืองแต่งแต่งแต่วันนั้นเลยทีเดียว ขณะนันมีทหารเข้ามาพูดนะว่างอปั้นงอปั้นหนีงอปั้ น, นึงน่งเป็นทัพหน้าของพระเจ้าเหล่าปียกมาตั้งข่ายอยู่ปลายแบนเมืองน้เตาเพิ่มเหรียญแม่ทัพใหม่ตอนวยัยซะด้วยเด็กปัก็ยกทัพไปยังด่านเมืองน้เตาแห้ตั้งข่ายเป็นสาม่ายข่งอปั้นแมทัพหน้า แข่งวนดซึมเหวียกทับมาตรงวีก็หงมาท้เอา็ความไปทูลกับพระเจ้าหลอปีติดตั้งอยู่ในตตบลอ่ากุ้ยัวคือตำบลภูเขากุพระเจ้าหลนะ่อ ป, ป, ออปก็จือว่าไอ้ลูกเล็กท่านี้ทำไมจึงมังอาจจนแม่ทับมากวนหินลูกขาดเสียกวนหนฉันอกก็กว่าที่กวที่แท้เด็กน้อยจนแม่ทับออกมา พระองค์ก็หาควรที่จะต้องใช้มาถรรพที่ยาวไปไหมพระพิดเจ้านี่แหละจะขออาสาออกไปจับเจดีินหลวงที่ีมาถวายพระให้เจิมได้พระเจ้าเราปีก็ถืว่าเจ้าจะไปก็ไปเถิดเราก็ยังเห็นกำลังที่มีเจ้าเลยก็จะมีโอกาสเดินกำลังที่มีตะวามที่ของเจ้าก็อนในครั้งนี้ลนะ่ะพระเจ้าเราปีกกลับดังนี้เรือ่อหญิงก็ทูอว่าจะออกไป ีแล้วมีกทธาเสือทั้งคู่นี่ถือกวกดเป็นถือดีถือหนีด้วยกันทั้งนิ้วเนยอะโอเงดีจริงเด่นก็นดีอย่างนี้เียรเปลาวรวบเปลี่ยนหินอาสาตายเสียปล่าพวกข้ามาถไม่เต่ารอปีทีเดียวว่ะเปลียนินน้องข้าพเจ้าจ่อไปรุกาตสุครเนี่ยข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปเลือดจะได้ช่วยกันยางดีเด็กตักหน้าตักตา พราะผู้พระเจ้าเราปีที่เป็นลุงจากสถาบานเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็จริงเพียงแค่อาสาออกไปด้วยจะได้ช่วยกันพระเจ้าเราปีก็จินว่าหลานทั้งสองจะออกไปได้วยกันในครั้งนี้ดีนะจะได้เห็นหน้า ก, กันเราก็เต็มใจพระเจ้าจ ะ, จะทําการสิ่งใดอย่าเมาแก่ความปรึกปร้องปรึกษากันให้จงดีเตียวเปาลูกแคยเตียววิ วกวนยิ้มลูกชายกวนอูสองลูกฉากเสือนี้ก็คำมัฟลาออกไปพระเจ้าเราปิดให้คเคลื่อนพับไปเปล่งไว้ใกล้มากาทับละดย ใ, ใครจะดูที่นี้หลานทั้งสองว่าจะเป็นฉันใด ซิเหียเี่ยทับหมืนห่นตังตังอ่าโน่นองทับเหี่ยงยกหมุนออกมานะ่ะซมเหวี่งก็ปีนผ่านออกจากคนะ่ายมาทีเดียวหรืออีเบียเซนสองานเอกของสิมเหวียงนะที่สามารถสู้คนไปถึงหมุ น, เ น, นเนี่ยก็ออกมาเดียวปายเตียวเปลา่าตัวหมุ น, นก็ออกมาเตียวเปลา่าถึก